ทายมทาตลอดชีวิตก็คือการเข้าหาความสุขแล้วก็การพยายามหนีความทุกข์มีความทุกข์เมื่อใดก็พยายามกระจักตัดเป่าไปหรือว่าฉลาดตอนนั้นก็พยายามป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นและทุวกวันนี้เราก็เรียกว่า โชดีกว่าคนสมัยก่อนที่ความสามารถในการจัดตัดเต่ตเาความทุกข์เนี่ยเรามีมากขึ้นเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีเรามีโทกศัพท์มีเงินทองมากขึ้นและทั้งหมดนี้มันก็ช่วยในการจัดตัดเต่าความทุกข์เริ่มตแต่สิ่งพื้นฐานคือความมีโหวั ความลำบากอัตคัดขัดสนที่นี้ก็มีปัจงใจสี่กันความเปี่ยนรวมทั้งความทุกข์จางอื่ด้วยอากาศร้อนเราก็มีพัดลมมีแอร์คอนดิชันเอาไว้บรรเทาความร้อนอากาศหนาวเราก็มีพ่อพงในบ้านหลายคนก็มี เครื่องทาความร้อนเครื่องทำน้ History, to, that that ําอุ่นอยาจะต้มน้ำก็ต้มน้าได้รวดเด็วฉับทาจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องขี่เกียรไม่ต้องเดินเอาก็มีรถเกินและิ่ง่านี้ก็จะเป็นสิ่นวยความสะดวกแล้วก็บรรเทาความทุกข์ในการดำเนินชีวิตปะจำวัของเราได้ อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าเราจะมีความสามารถในการหือความทุกข์จัดปัดเป่าหรือบรรเทาความทุกข์ได้มากมายทีนี่หลายประกามแต่ว่ามันก็ยมีความทุกข์อีกหลายอย่างที่เรามีให้คนเรียกว่าทุกข์แบบเดิมเนี่ยมัน มาเข้าขามเราน้อยลงแต่ว่าทุกแบบให ม, ม่นมี่มันมาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะรับรวยมีเงนมีทองมีอำนาลักษณะบา ร, รมีแค่ไหนก็ต้องเจอความทุกข์อยู่นั่นเองเช่นถึงแม้ร่ำรวยนะแต่ว่าก็ต้องเจอกับความสเสีย อาจจะไม่เป็นกัอาจจะไม่ใช่เสียเสียเงินทองเพราะว่ามันมีการหลายผ่านเทมาแต่ว่าอาจจะสูญเสียคนรักจนใกล้ชิดเพราะว่าเคอยู่รอบตัวเราเขาไม่มีวันที่จะอยู่ฟ้างฟ้าเข า, าต้องตายจากเราไปเจอความท้อท้สูญเสียก็ทำกํำใจไม่ได้ในอย่างประเดศเียนี้เราก็รู้จักพัฒมาฮา บรสมภารุก็เป็นสัญลักษณ์ของเป็นอนุสรสถานที่ทพระเจ้าพาะาคานซึ่งยิ่งใหญ่มากสร้างขึ้นเพื่ออุกทิ่ให้กับคนรักมงกัดยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะเลีกมีความสูญเสียตามพัฒนาคนรักได้ถูกตายเมียตายโกตาย อันนี้เกิดขึ้นกับทุกคนเราทาก็ยังต้องเจอกับคมเกิดชิ้นหนึ่งความว่ากล่าวไม่ว่าินแใหญ่แค่ไหนก็ต้องเจอเจอความไม่สมหวังแล้วก็ต้องที่หนีไม่พนก็คือเริ่มเจอความแจกความเจ็บ ความปวล้วก็จะรู้สึกกับความตายของตัวเองอันนี้คือความทุกข์ที่มีใครมีคนแม้เราจะสละเรื่องความแต่ความเกิดความตา ย, ายความมีก็ยังต้องเจอความทุกข์หลายอย่างเช่นงานกากที่ไม่สําเร็จหรือว่า มันไม่เป็นการดังจำคนเราถ้าคิดแต่จะหนีความทุกข์หรือว่าอาชาติต่อมาทาความทุกข์ตลอดเวลา้ก็ทำได้แค่นั้นก็เกลียงใจทุกข์ไปเลยเพราะว่ามันจะมีความทุกข์หลายอย่างที่เราต้องเจอแน่ๆหนีไม่นคน้น แต่กลักกระดอไปปีนใดก็ไม่สำเร็จงั้นเอาไม่หน้าเช่นแช่เจอรถติดเท่านั้นแหละอยู่ในกรุงเทพมีเจอรถติดมันคือความปีนที่มีให้คนมีรถก็าหาที่จอดรถได้ยากปวดหัวอีกถ้ามีถ้าเขียนคนหนึ่งเขา พูดนะไม่รู้เขพูดถี่เล่นจริงจริงหรือพูดเพระชบประชันเขาบอกว่าตายไม่ยากและที่ยากก็คือหาที่จอดรถคนเขียนนี่ก็เป็นชาวอเมริกรันอยู่ในกรุงยูรยอร์ยูริยอร์มีหาที่จอบรถยากกรุงเทพกเหมือนกันกาลังก็เลยอยตาม มันม่นม จ, มนจะเป็นความทุกกายนะเป็นความทุกข์กายที่คนสมัยนี้เจ อ, อย่างที่บอกแล้วว่าเมื่อของกรรมก่อนเราเนีใน้ใครทุกข์คามทางกายหรือใครทุกข์ความแบบภรยนอกนมีมนมีน้อยแล้วราใครทุกข์คามทางใจหรือความทุกข์ทางใจนี่ไม่ได้ลดลงเลยก็อย่างมีอเรื่อยๆเช่นแค่าที่จอดรถในแดนนี้ก็ทุกข์แล้วต้องแย่งกัน กกก เ, กกเก้นจะฆ่ากัตายก็มีอย่างที่โซลล่าคนเราอย่างไรม่่าจะเจริญก้าวหน้าแค่ไหนมีเทคโนโลยีเพียงใดร่ำรวยแค่ไหนก็ต้องหนีความไม่สมหวังแตนคนต้องเจอความไม่สมหวังยิ่งล่ำรวยยิ่ง ม, มีความมากก็ยิ่งมีความอยากความหวังมากขึ้น เ่มเป็นเงาตามตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องเจอความไม่สงหวังเพิ่มหากขึ้นด้วยอย่างที่เมื่อวานี้คุมีความนุ่วที่มีความอยากมากก็ยังมีความทุกข์มากเพราะความอยากความทุกข์มาด้วยกันเมื่ออยากแล้วไม่ได้สมอยากก็ทุกข์ให้เราพิจารณาดูเถิดนะ คนเราไม่ว่าจะนับสุดดีโยวทุกแค่ไหนจะนี้ความทุกข์ใดก็ต้องเจอความทุกข์วันย่างข้างซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นทุกข์ความทุกข์ทางใจแต่ความทุกข์ทางกายจะเกิดนะแม้ว่าจะมียาจะมีเครื่องบรรเทาทุกขเวทนาแต่ในที่สุดก็ต้องเจอ เจอตอนไหนนะเริ่องเจอตอนเจ็บตอนปวดในความเจ็บปวดหลายอย่างมีทุกปเวขนาแรงกล้ามากซึ่งบางครั้งนี้ยาอันนี้ก็ออกไม่อยู่ในพรามรุนแรงนี่อันนี้ก็ไป่ในร่างตัวกันคร้ากันมากเพราะว่า พอมีความปวดขึ้นแล้วต่ไปซื้นยายเยอะก็ไม่ได้จะมีมอฟีแล้วจะฉีก็กระเทาายกินก็กระเได้ก็เอาไนีอยู่ยิ่้มีความทุกข์ใจผสมเลื่วงนี้ก็ยินะ่งกระสับกระสายผู้หลนผู้หลานหน้าทุนแต่ที่จริงไม่ต้องพูดถึงเรื่อง เนื่องมาเร็งหรือความเจ็บป่วยหนักๆ ก, ก็ไดนะ้ความเจ็บป่วยปวดฟันปวดหัวปวดท้องก็ต้องเจอเนื่องมาความจริงในื่ความทุกข์มันเป็นส่วนหนงของชีวิตไปแล้วเป็นความจริงที่องแน่นอนอย่างในบทสวดมนต์เขบอกว่า เ, เรามีความทุกข์อยู่แล้วแล้วมีความทุกข์อยู่อ้านหน้าแล้วที่มีความทุกข์ไ ม, ม่ไ อ, อยู่ด้านหน้าแล้วความทุกข์มันอยู่ ตามตัวเราไตลอดเว ล, ลาจริงๆรล้ว่านเราโ อ, อกาสแสดงตัวเท่านั้นในขณะที่เรามีสุขภาพดีก็จะเป็นที่ว่าไม่มีความเจ็บป่ปวยที่ทเป็นความเจ็บป่วยมันตามเราต ล, ลอดเว ล, ลาพอเราเพ่งทําเมื่อไหลัมันก็แสดงตัวเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายเราเป็นลังของเชื้อโรคมันเป็นรังของความเจ็บป่ปวย เ, เ, วว เ, เราเป็นแหล่งมอสุของซุลโลกในราศีนี้เห็นต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสที่จะอารวาหรือแสดงตัวเพระฉะนั้นเดื่องความแก็ตางกัาจะตลอดเวลาแม้ว่าเราจะอยูนยังสาวแต่มันก็รอการแสดงตัวเผลอเมื่อไรก็พีนังเหยื่อยนผมหงอ ตกกราแล้วก็กระดองชาก็าลดน้อยถอยลงความตายก็เช่นเดียวกันมันตามคุณเราไปตลอดเวลาเแต่ไม่ยังไม่โผล่ันั้นแหะแต่เปิดเมื่ อ, อไหร่ก็มันมาทันทีบางทีแค่เดินลงดันไดไม่ระมัดระวังนี่ก็ลงมาโผล่ข้าคือระไผ แต่นั่นม <respons> ันย <pa> ังเป็นความตายที่เป็นอนาคตขึ้นไปเกิดหรือเปล่าหรือเมื่อไหร่ก็ไม่้แต่ว่าที่เวลานาทีมันมีความตายเกิดขึ้นกับกับตายและใมาตลอดเวลาในร่างกายมีมีเซลล์ร้านร้านรเซลมตายีท่กัราณวันล้าพลห้าน้านเกิดตายทุกวัน ความตายเกิดขึ้นในร่างกายในวันตลอดเวลาเช่นเดียวความดับในใจความเกิดดับเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาพระพเจ้าสักัดว่าความแก่มีอยู่ในควา ม, มสาั้าความมีโรคเกิดขึ้นอยู่ในความไม่มีโรค และความตามีในชีวิตมันไม่ได้แยกกันเมื่อวานที่ปาจับดอกไม้ก็ได้พูดไปแล้วว่าหลายคนที่จับดอกม้ยที่สวยงามแต่ในเวลาเดียวกันก็เตือนเรื่องหึงความร่วงโรยแต่บางคนเอาตีนไม้แห้งใบไม้แห้งมาจับแล้วก็ทำให้มันสวยงา กื่อที่นว่าในสิ่งที่มันลนงานก็มีความในสิ่งที่มในสิ่งที่งานก็มีความเล่นงานมันไม่ได้อยู่แยกกันมันอยู่ด้วยกันอันนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยความแก่ไม่มีในความหน่สามความมีโลกอยู่ในความไมีโลกและความตายอยู่ในชีวิตที่นี้ความายไม่ไแยกจากกัน ความแก่ความเหื่อาไม่ได้แยกจากกันความมสุขภาพดีความมีน้รยคนไม่ได้ยกจากกม่นอยู่ด้วยกันเหมือนกับโคนไม้ตับลายไม้เหมือนกับความยาวและความสั้นก็อยู่ด้วยกันไม้กั น, นกทานียาวเม่อเที่ยวกับดินต่อแต่ร่ากายติดสั้นเม่เทียวกับเสาไฟฟ้า เราต้องตระหนีกเสมอนนในแต่ละท่างการที่เรามีความสุขมันก็มีความทุกข์แฝงตลอดเวลานี่คือบอกไว้แล้วว่าเด้วยความทุกข์นี่คเป็นสิ่งที่เรามีให้ผลไม่ว่าจะมีความสามารถในการกระตับต่อมาเียาใดวันนี้เราจะทาอย่างไรกับสิ่งที่เรามีให้ผลต้องแติเนี่ย เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ไม่ใช่คิดแต่จะห น, นีอย่างเดียวคนที่คิดแต่จะห น, นีความทุกข์คิดแต่จะหาทางสู้ทุกขก์จัดปัดความทุกข์นี้ถ้าคิดอย่างนี้อย่างเดียวนี่ไม่มีทางหนีทุกข์ได้เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ให้ได้ด้วยล ด, ดความเจ็บความปวด ความไม่สบายกายควมสบายนี hmm. ank, ้เราเราหนมาจนทั้งรู้สึกว่าชีวิตนี้สบายเหลือเกินแต่ก็อยาประมาทไปราความไม่สบายกายเกิดขึ้นได้เราอยู่เป็นระยะระยะแค่เดินทางก็เจอความร้อนครอยู่ตรงเมืองไทยอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยทีว่ามันจะหนาเพ่ามันเจอความหนาว ด้นนี้เก็พยายามหีความหาพยายามเพื่อบรรเาความหนาแต่แค่ไ้ไม่พอเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมานให้ได้ดอยู่กับมันโดยไม่ทุกข์ก็คือทุกข์กายแต่ไม่ทุกใจทนที้เราทําได้ความร้ก็เช่นเดียวกันเราอยู่กับความร้อนก็นนต้องอยู่ให้ได้อยู่โดยไม่ทุกข์ มันจะมันก็มีแต่ทุกข์ใจแต่ว่าไม่ทุกขใจถ้าเราทาอย่างนี้ไม่เป็นนะเราก็จะมีแต่ความหลงผิดความไม่ความไม่คุ้มอใจเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถจะ ก, กรรพหรือควบคุมไม่ให้จิตใจเป็นตามใจเราได้ไมามรถควบคุมราาสามารถคุมกากาา ร, กระทำร่างกายของเราให้มันไม่เจ็บไม่ัว ถ้าจะอยู่กับความความทุกข์ขอทุกเวทนาได้อย่างไรเราก็อยู่ได้หลายด้วยหลายวิธีก็เด้จุกไปแล้วเช่นการมองแม่แน่บวกาการปล่อยวางาการยอมรับมัาการยอมรับก็คือการอยู่ับมานนั่นเองอยู่กับมาณให้เต็มบางครั้งบางครั้ราใช้วิธีการปลอบใจ อยาปดูไตสนีมีคนบนนี่แดดร้อนแต่ว่าก็ยังก็ยังมีอารมณ์ร้องเพลงไปกดกินอยู่หน้าบ้านไม่ไม่กดกินใส่ตะพนเรียบตัวเจ้าของมีร้อนอากาศเท่าขนาดลนหลบมีแ่เ่องแอร์ได้ยินเสียงเรียกของไตรสีก็ไม่อย่างออกมาเพราะว่าออกมาแล้วเจออากาศหน้าเจอแดด ก็ไม่ออกมาแต่บุตรชายชมยิก็ยังก็ยังรองอยู่ก็ร่วมคนในบ้านแต่ไม่ได้ว่าขอขาร้องเพลงด้วยแต่ถ้าในนี้สุดเจ้าของบ้านต้องออกมาบ้านพัสดุกออกมาเสร็จก็เลยถามบุตรชายชมยิว่าอากาศร้อนๆ อ, อย่างนี้มีอารมณ์ร้องเพลงด้วยหม่บตรชายชก็ตอบดีนะเขาก็บอกว่า รล่งมัร้อนก็กินครับแต่ว่าถ้าใจเย็นก็เย็นครักผมร้องเพลงแล้าใจมันเย็นสบายอันนี้ก็เป็นวิธีการในการดีบดความร้อนความอ้าวได้เจ้าของบ้านนี่หนีความร้อนความอ้าวไปตามดลบอยู่นอกหน่อยแต่เจ้าหนี้คนก็ต้องออกมาเจอความร้อนความอ้าวเพราะว่ามีคนมาหามี่โดยไปสินีมาแต่โดยไปสนินคนนี้เขาก็ รู้จับอยู่กับความร้อนได้หรือทุกถามว่าเขาร้อนไหมเขาร้อนหรื่อส่งกายแต่ว่าใจเขาไม่ทุกขนะ์เขาก็รู้วิธีต่อใจด้วยการร้องเพลงร้องเพลงแล้วใจได้เ ย, นเยน็นพอเย็นแล้วเนี่ยความร้อนก็ไม่เป็นปัญหานิ่งกันวิธีนในการอยู่กับความความร้อนหรือความทุกข์ได้วิธีที่อยู่กับความทุกข์ได้คือการ มีสเตตดูมันเวลามีทุกขเเกิดขึ้นเราไม่จำเต้องกล่องใจก็ได้แต่ว่าเราใช้สติเนี่ยดูเวทนาหรือรู้มันให้ความปวดที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ถลอกเชิญ น, นะมันก็ไม่ใช่แค่ปวดใจมันปวดใจต่างระดุเวลาเจอความร้อนไม่ใช่แค่ร้อน กายละแบบร้ใจเเจอความหนาวไม่ใช่หนาวกายแต่หนาวใจเพราะิดเป็นกุ่มแต่งเจอเวทนาพวกก็กุ่มแต่งหรือเพียแค่กายสัมผัสความหนาวความร้อนก็กลุมแต่งไม่ใช่แค่มีทุกเวทนาเป็นทุกขรมาทุกเวทนาเรื่องของกายแต่ทุกข์มเป็นเรื่องของใจทุกข์รมานี่น ก, น ก, นก็ความกลุ่มแต่ง เช่นถาพอเราบนโวยวายเท้าก็นก็ทุกข์ล้เป็นทุกขละมาหรือเยียผักสายมาันแต่มันไม่อยอมไปแค้ทุกข์เข้าไปเียดแต่ถ้าเรามีสติดูดูกายดูใจโดยเพราะในในท่านนี้เราต้องดูดูดูใจจะดูความที่ที่จิต่จดูมันบนพอรู้วใจมันบนโวยวามันก็สงบล พอเห็นพอรู้เวทนาแต่ไม่ฝักเข้าไเวทนานั้นมันก็มีแต่กู้จาร์แต่ไม่ผู้การเม่อผู้จาร์ผูจาร์ฝักเข้าไปในเวทนานะั้นก็เลยกลุ่มแข็เราต้องเรียนรู้ที่จะหยู่กับผู้ทเวทนาให้ได้แล้วกกล่นที่นี่เราก็มีจับธรรมาการแล้วก็พาคนเดินก็ไม่นานนะัดกลิ่็แค่เจ็วัน ต้อเดินแันวานแทนวานนี่มันก็หนาหนาวแต่ว่าเวลาเดินกลางวานนี่มันมันไม่มันไม่หนาวแต่มันร้อนเพราะว่าฟ้านมนีเม้าใสก็ต้องเดินกางแดดเวลา 4- หชั่วโมงทาก็ไกลแดดก็ร้อนแล้วเดินทำไมนะโนนี้เราก็เดินเพื่อโดนนลมให้คนอนุรักษ์ป่า ดูแลหล้วยลารรักษาธรรมชาติแต่ส่วนก็เพื่อเป็นการปฏิบัติธรรมก็คือเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกขเลยทนาให้ได้อยู่ความร้อนไม่ได้อยู่ความเหนื่อให้ได้ดาไดทางกายแต่ใจไม่บน่นแล้วก็มีคำขวัญว่ากายร้อนแต่ใจไม่ร้อนหรือว่าร้อนแต่กายแต่ใจสงบเย็น ตายเหนื่อยจัดารไม่เหนื่อยเหนื่อยจะดตายจัดใจขึ้นบานอันที่เราทําได้และที่เราจัดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะหาความทุกข์ใส่ตัวที่จริงล้วก็คล้ายๆกันนะคือเดินเมก็าหาความทุกข์แต่เดินเมก็าหาความทุกข์เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ รูจ้จับปรับตัวปรับใจให้อยุดความทุกข์ได้ปรับใจให้อยู่ความหนาวให้ได้ปรับใจให้อยู่ความร้อนให้ได้ปรับใจให้อยู Rio, ่ความเหนื่อให้ได้ถ้าเราปรับใจได้มันก็เหนือยแต่กายแต่กายไม่เหนื่อยมันพ็ร้อดแต่การแต่กายได้ร้อนหรือ่าถ้าเราปรับใจในที่นี้ได้นมันก็มันต้หนาวแต่กายมัแต่กายอบุ่น ถคนเราถ้าคิดแต่จะหนีความทุกข์อยู่เรื่อยไปในที่สุดก็ต้องเจอ ม, มัอนในขั้นคนที่มีปัญญาเมื่อรู้ว่าอะไรอยู่ในท้นก็ต้องเรียนรู้ที่ที่ถดต่อกมันถึงท่านสามารถเป็นนิสิกับมันได้ถ้าเราเป็นนิสิกับความความร้อนความหมนาวเป็นนิสิกับทุกข์โกรธนาได้เราก็ไม่มีอะไรที่ต้องอนาคถร้อนใจนั่นก็ฝึกได้นะ สุดได้จากการในชีิตประจวันการมาปฏิบัติธรรมที่ดีจะต้องเป็นการปฏิบัติที่พาเราเข้าหาความทุกข์แล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ให้ได้ไม่ใช่อยู่ด้วยความอดทนหรือกัดกันทนแต่อยู่ด้วยสตินะด้วยการยกจิตขึ้นมาดูโดยกิตขึ้นมาดูหรือพาติดออกมาดู ดูใจที่ปูนแต่งหรือดูเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายอาตมาเคยพาคนเดินจงกรมทุกช้าไปไปอบมไปี่ยวความตายที่ตางจังหวัดถึงพอแล้วกพาคนเดินจงกรมทุกเช้าให้ขอรองท้าก็เดินหลายคนไม่เคยเดินท้าเปล่าบนทางปวดทางหุ่นก็เจ็บก็ปวด มี้ำตาพอเดน้ไปในส่วนก็เจดยุงมาตอหลายคนนี่อยู่มาายไม่แันจะกัดเลยแค่ตอมมีตะปุกแล้วมันทุบไปลุ่มหน้าแเพียงแค่ยุงมาตองมนราอยุ่มาเกาะผิวเกาะหนังเอาเก็แขนเกาะขาวันนี้ม่นจะเจาะเลยก็ทุบแล้วนี่เพราอไก็พออราะใจที่ปรุงกตนงและยิ่งพอโดนมันเจาะเขาก็ยินทุบเข้าไปใหญ ก็บอยเขาได้เรียนรู้ว่าเออให้ลองเห็ใจที่มันกังวนอยู่บ้างใจที่มันกลัวใจที่มันเสียามผักใสใจที่บนวุ่นวายเวลาเดียดตัวเวลาโดนดึงตองดึงกลัดที่จริงร่างกายเรานได้แต่ใจตัางหากที่ทนไม่ได้ใจเรามีความสามารถในการคนได้หลายอย่างมากแต่ใจตัางหาที่อ่อนแอเพราะวันี้มีความทุกข์ตลอดเวลา ไม่ยามสู้หน้าพอเจอความทุกข์พอเจอเข้าก็เลยทำใจไม่ถูกวางใจไม่เต็มแต่าาผักสายอย่างเดินแต่ผักสายไม่ได้ก็ต้องเดินต้องอยู่กับพณะต้องยอมให้มันจับก็เลยทุกข์ก็ดูใจสจิดูใจดูใจที่มั น, มนเหนียวเหนียวยังยุ่งที่จะมาปลอมหือว่าเวลาดึงมาเกาะแล้วก็ดู อาการของกายการรู้สึกอย่างไรมันแสดงอาการอย่างไรเวลายุมหมอ ก, ก่อนและเวลายืมอ ก, กับคันใจมันเป็นอย่างไรก็พอทำได้เพราะว่าเดินตลอทุกวันหกเจ็ดวันสองวันสุดท้ายนี่มไม่ใช่แค่เจอเจ อ, เจอัวเจอยุงนะแต่ว่าเจอหงุดเจอฝนตกเพิงแค่แบบนี้แหละฝนตกก่อนที่จะเดิน แต่พอเดินนี่ฝนก็หยุด น, นี่เกิด อ, อะไรขึ้นนะมันก็มีมดเนี่ยมันก็ย้ายหลังมก็หนีเดินจะเป็นแวเดิขบวนตลอดทางเรเดินสีินาทีก็ตลอดทางนี่ ท, ที่เป็นทางทายทางาทางทางดินเนี่ยนะมันจะมีมดเยอะมากเลยไม่ใช่เป็นพันมันเป็นหนึ่ง ตอนแรกคนจะเดินพอเดินผ่านแล้วก็ ห, หยุดเดินอย่างที่เราเดินเมื่อวานเดินแล้วก็หยุดมดก็ขึ้นมาตามร่มผ้านคนก็กระชื้นขากระเจินไหลกระชื้นเพื่อให้หมดบรรลุกสลับออกไปจับขาจาับจับตัวไม่มีความสงบสวขเลยก็เลยแนะเขาว่าให้ลองดูใจกัน ให้เราดูเวทนานะเราทนได้กายทนได้แต่ใจทนไม่ได้โอกาสที่ใจเนี่ยให้เราดูใจดูเวทนาพอต่อมาก็าบกว่าทําได้ดีขึ้นคนหมมากขึ้นพอรู้วิธีก็มีคนเขาก็ไลฟ์ังว่าเขาทําอย่างไรเขบอกว่าพอเดินมาแล้วก็ได้เสียงแล้วทําให้หยุด ก็หยุงหลังรถคดีเราก็เลาว่าได้อยู่ลงตรงหลังก็สนใจก็พยายาสุดว่าจะอยู่ความกลัได้ยังไงก็เห็นเลยนันค่ความกลัวความวิตกกิดขึ้นที่ใจเขก็มีสติดูความวิตกตกตังวลนะพอดูเข้าความวิตกต ก, ตกังวลก็วูบหายไปแต่มัไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าของรถ มาตามตัวเ้าก็รู้ก็มาดูมาดูอาการผิดใจเห็นเนื้อตัวนี่ตึงกล้ามเนื้อตึงเกรง็งนี่ตึงเรงเล น, นปาแน่นหัวใจเต้นเลยเนี่ยมนี่มันม่นนนาจะกลับเลยนะแค่ขึ้นมาตามตัวเนี่ยนะหัวใจก็เตเน้นติดิติติิดปานเตัวนี้เกรง็งตาเยขยิบเลยนะเาก็รู้ทมานะดูการ แนี่ไปดูที่มตเขาก็ดูกายปกติคนที่ดูให้เป็นก็ไปดูมดละใจจะปักที่มดแต่นี่เขาฉลาดขึ้นมาดใจก็ไม่สมสิทธิภายอกก็ดูดูกายพอเห็นกายมันตึงพอพอรู้ว่าตึงนี่มันก็ตายไปเองใจกายก็ผ่อนคลายหัวใจก็เ้าใจเป็นเ่อปกติแต่นี่มันมันไม่ใช่แค่นั้นียรีบมดมันกลับนะเขาก็เห็นในชนากันกลับเป็น เป็นจุดๆบ้างเป็นรวมๆม้ากมันว่ามันแสบมันร้อนความปวดมันเวทนามันมีหลายหลัหลายหลักมากแต่เขาก็ดูแบบนั้นดูเวทนานะแล้วก็เห็นใจที่มันเริ่มทุกข์มาพอเห็นใจที่มันทุกข์นี่เขาความความการปวดการผักสารก็คลายไปเขาบอว่าถ้าที่มดยางกลับแต่ว่าใจโยงใจสมดุล เขาแปกใจมากที่ว่าเออทาใจสงบได้ทั้งที่ความปวดที่ยังอยู่เขาก็เห็นแล้วว่าโอกายก็ส่วนหนึ่งเวลาก็ส่วนใจก็ส่วนหนึ่งมันแยกกันความปวดความเจ็บเป็นเรื่อ ง, ง, ง ข, ข, ของกายนะแต่ว่าใจไม่ได้เป็นเรื่องเจ็บด้วยกงมีสติดูเขาก็เขากอใจมากแล้วก็ตื่นใจก็เห็นความาดีใจนะ แล้วก็บอกขอบคุณมดแค่ที่จะโจมดกับเรียกมดแลเป็นอาจารย์อาจารย์มดแล้าก็เดินได้ได้ได้ไดอย่างสงบได้อย่างปกติทั้งๆที่ก็ยังมีมดเ ก, กาอตากลมควายแล้คนนี้ก็เป็ผู้หญิง น, นะแต่แว่าเขไม่มีการเกาะตาขัดสายเนะขาเรียนรู้ที่อยู่ความปวดได้เรียนรู้ที่อยู่กับเรีนธนาได้เพราะใช้สตนะิเป็นเครื่องรักษาจันทร์ ที่จริงก็ไม่อยู่หอดจำเป็นนะคือต้องเดินไปอย่างนะแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนของการฝึกฝึกเพืดดให้เรารู้จักอยู่กับเวทนาไม่ได้อยู่ความทุกข์ไม่ได้คนเราถ้าอยู่ไม่เต็ม น, นี้นะมันก็เจออะไรมากระทบที่กายนะใจก็ทุกข์ตามไปด้วยแต่ที่จริงนี่มันไม่ใช่เรื่องเรื่องกระทบกายนะเรื่องอื่นๆที่นายสมหวังซึ่งเป็นเรื่องความทุกข์ทางใจ เตาก็ต้องเรียนรู้ที่อยู่กับมันให้ได้การอยู่ับทุกความทุกความัวนี่ก็อันหนึ่งแต่ว่าต้องเรียนรู้ที่อยู่ความเศร้าเรียนรู้ที่อยู่ความความเลื่เรียนรู้ที่อยู่แม้กระทั่งกับความหนาวไม่ได้คนเรียนนี่อยู่แม่เต็งอยู่ความหนาวไม่ได้ก็ต้องหนุนต้องวิ่งต้องทำทำอะไรต่ออมากมาย เพิ่งางเรื่องก็เป็นผููเป็นภายตัวเช่น ไ, ไปกินเล่าไปเที่ยว okay. บางคนนี่มีเรื่อนมีลูกน้องมี่องของเพื่อ น, านมาปรึกษาเราก็เลยมีแฟนต่อมาก็กเลิกกับเขาไา Digital t แต่บ่อยครั้งก็ไม่ได้ยี่ตับไปนะไม่ได้ยี่ตับไปพูดเป็นคุย บางท่ารยู้ว่าผู้ช า, ยยานมีเงื่อนไขไม่ได้แต่ก็หรอกก็หลีกตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียอะลำหนาวก็ต้องอดไม่ได้เทีย د, บกดโทรศัพท์ไปคุยกับผู้ชายเป็นยันเพราะความหนาวแล้วความหรอกมันทรม า, านใจเขามากจนกระทั่งแล้วทั่งไอ้คนที่ไม่ได้ไปหาก็ต้องไปหาอันนี้เพราะว่าไม่รู้จักจิตวิความหนาว ถ้ามีความหนาวตลอดเวลาถ้ามีความหนาวตลอดเวลาก็ไม่มีทางคิดจต้นทูกข์กับความหนาวได้เราต้องเรียนรู้ที่อยู่ความหนาวคือเห็นความหนาวนี้มันเกิดขึ้นให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นที่ใจแต่ไม่ใช่เราหนาวคืต้องเห็นขนาดนี้นะคือเห็นความหนาวเกิดขึ้นที่ใจแต่ไม่ใช่ฉันหาวเห็นความเศร้าเกิดขึ้นที่ใจแต่ไม่ใช่ฉันเศร้า ในทงางวิจารณเห็นความปวดตัวขึ้นกบบกายจะไม่ใช่ชั้นปวดแต่ถ้าเรามีสตินี่มันก็ปูนแต่งเป็นชั้วดชั้นหนาวชั้นเศร้านี่ก็เกิด ต, ตัวตนขึ้นมาเกิดตัวปูของปูขึ้นมาความปูนกั่งก็มีตัวกปูของปูเป็นเจ้าของความทุกข์นี้ก็ไม่มีสติแต่ถ้าเรามีสตินีน่นมันไม่มันไม่ปูว่าเป็นชั้นหนาวชั้นปวดชั้นเศร้ามันเห็นแค่อาการที่ทเกิดขึ้นกิกใ ให้นีคือวิธีการที่อยู่ความทุกข์ด้วยสติคือถ้าอยู่บความทุกข์ได้เมันก็จะมีแต่ความก็จะเห็นแต่ความทุกข์แต่ไม่มีทุกข์ุมีความปวบไม่มีทุกข์ปวดไอ้ทุกข์ปวดทุกทกเกิดขึ้นกพาความไม่มีสติก็ความหลงเพรความลืตัวนั่นเองพอลืมตัวก็มันก็ปูตัวตวขึ้นมาเลย น, ะนแปลกดีนะเมื่อไที่ลืมตัวตัว ต, วตนก็เกิดขึ้น อันนี้อยากมันจะไปสับสนมันจะไปอยาไปงงทิฏฐิยาวดีๆถ้าไม่เข้าใจตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้ให้ลองสังเกตดีว่าเมื่อไรที่เราลืมตัวตรวตนก็เติขึ้นก็คือว่าพอเราปวดพอเรามีเวทนาพอเจอร้อนเจอหนาวแล้วเราลืมตัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันก็คุมตัวตนขึ้นก็คือไม่มีสติแล้วเราก็ะเด็นตกแม่เราทำาำหนาวก็เอาไม่ดี แต่ถ้าเรามีสติดูนะดูกายดูใจดูเวทนาเห็นมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่เกาใจเพราะเราไม่น่าจะไม่ปูใจโตปูวางปูขึ้นมามันก็แค่เกิดที่กายเกิดที่กายแต่ไม่ทําทํำในตกาะใจไม่ได้เราก็จะอยู่กับมันได้อยู่เอาฟังเหนาหรือไม่เป็นผู้เหนานี้ทําได้อันนี้เรียกว่าเป็นภูมิ ถ้าเราทุกขให้เป็นเราก็ไม่เราก็ไม่เป็นทุกข์ง่ายๆเป็นทุกข์ให้เป็นก็ไม่เป็นทุกข์เป็นทุกข์คือเป็นทุกข์แบบเป็นผู้กดีโดยไม่เป็นผู้ทุกข์นะความทุกข์ได้แล้วต่อไปก็จะเป็นนิ่กความทุกข์ได้เป็นนิ่กความเหงาถเราเป็นนความหาเป็นนความเศร้ามันก็ทำอไรไมได้ก็สามารถขี่ได้ปล่อยคอไปได้ ทางคนตามอยู่ทางเร้าก็อยู่ก็อยู่ตายนะ่ไม่มาล้างฟันแทความมาก็อยู่คนตปอยู่ที่อยู่ที่ใจก็อยู่ตายแต่ไม่มาไม่มาทำลายเราไม่ต้องเรียรู้ที่ดีความที่เขาเป็นตัวในทางเป็นที่จะทได้ถ้าทำไม่ได้เนี่ยแม้ระทั่งความป่วยความตายมันก็ทำอะไรเรไม่ได้เราก็ยอมรับความตายได้เ็ราเป็นธรรมชาติของม นกปีมองความตาตเป็นยุทธ์จนูได้เหมือนกันอันนี้เป็นศษาษาษาาิลปะมนกลายเนหนชีวนะิตนะจะมีความกายมีม่คนอยู่แล้วก็ต้องรู้วิธีเจอยู่บบยกับมันเกณจะใจรับมาเป็นนิจกับมันจนนีความเป็ความคุนก็หนีได้ตัวค้างโั ว, าว LIKE, ตายแตนี่สุกต้องเจอก็ต้องรู้จริเียนรู้เชื่อถือความเกิดความเกิดให้ได้ถความโกลจะไม่ไนนมไเป็นทูทู อยู่ประมาณปลายตามก็ต า, ตาอยู่ไม่ได้มารัแกกัน ม, ม, มาความกันอันนี้ะเป็นศิลปะในางที่ยปนชีวิต น, นเราจะรับสุขเกียดทุกอย่างก็ตามนี้ก็อย่างนี้ทุกตลอดเวลาคนระับต้องเรียนรู้ที่อยกให้ได้ปรนะกอไว้ความที่พวกเราจะได้เัเป็นน